ที่มีกิตใจสูงเพันธ์เทวดาเนี ah ่ยอยู่ทังอ่าอยู่ทั้งฝ่ายทั้งสวรรค์ก็หมายถึงว่าผู้ไม่กิตใจสูงผู้ได้ฝึกขัดตนเองผู้ได้ประพฤติปฏิบัติน่ะนะผูอเทวดาเทวรัพเทวทัมก็หมายถึงว่าเทวทรพก็หมายถึงว่าบุคคลผู้มีคุณธรรมสองขอมีฮิลีกับโอตปะฮิลีควมละอายใจใจโอตปาควบเจงกลัวต่อบาปคือเพิ่นให้ละอายเจ้าของ ที่สูบยาเนี่เอกูดีละอายโมดีตัวนี่ที่เขี่ยวมากโอ้มันโมดีตัวนี่เพิ่นให้ละอายแก่ใจเอให้ละให้ให้ละอายเจ้าของเพื่อนนาย ใ, ให้ละอายผู้อื่นโอยังไงเพื่อนเราโอ้ยละอายครูบาอาจารย์ด้วยบ่เดินย่กลมหัวมันละเพิ่นโมยู่นอนหนีกลัวยังหันใส่บ่ได้บด่บมีคุณธรรมก็ามามีคุณธรรมกับไม่ต่างว่า ให้มีควอมละอายใจใจใจะคลองกันละ่ะมันจะคิดตัวใจใจกวันมา่าโอ้มันมันเป็นได้คิดตัวนี่ให้ละไอ้จะคลองะอายใจจะคลองกันล่ะมันจะกลัวกันมากกว่าโอ้มันมัเป็นตะขวดตัวนี่มันชัวตัวนี่เนี่ยพนาผู้มีถ้อย่างเสียเลยพนาเป็นเทวดาผู้กลัวบาสนั่นละ่ะทนายมีโอตปะคือค้อมเจรยงลัวต่อบาปประกาทํบาบาปบ่าวรับหนาเรื่อรับหลัง มันจะมีโอกาสเดียวกับว่าทำย่านย่านบาปเนี่ยหัวบาปพนันเป็นเทวดาผู้ที่รักษาศีลก็เลยไมเกิดยุงสัตว์มีจิตใจยุงสัตว์พยังว่าจิตใจตัวนี้มันบอตายมันเป็นนิรันดรพนัพพนพนังว่าผู้ใดใดนี่ผ่านไดดีพา่านเพนันผู้นั่นบอดเกิดบอดแกวบดเก็บวอดตายแบบนี้พามายหมายถึงวา่าตัวนี้ได้ไันี้ตัวนี้นนตัวนี้นิรันดรตัวนี้คือมันอยู่ยุงสัน่น ร่างกายนี่มันแตกดับไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของเขาแต่ว่าคุณงามควมดีที่ห่อในซาสมขึ้นมาน่ะมันยืนสัน้นก็เลยไปอยู่ทั้งสวรรค์ถได้คนนีคนรักษาศิลพ์ดี ก, ก็มื่อ น, นึงก็บบ้าแต่มาก็เลยนึกเด็กิดหอดหมือหอดพวกเอ๊ะมอนันไปอย่งไหนน้อเห็นไหมไปอยู่อย่งไหนน้อเห็นไหมก็เลยหาสวรรค์ก็เลเป็นบ้านเป็นเมื่องสี่ต้นเ้ายอย่งไดนตัวมะเคยอขึ้นนึกเทียนเนาะ ขณาตมาขืนแล้วเสียมาบอกดอกแต่ว่าตอนนี้มันเป็นนิทานก็เลยมาหา ห, า ห, าหลอะของเสี่ยวหาเพราเห็นเซียวหาบองได้กับเเห็นเป็นหมูเป็นม้าสิเป็นงูเป็นคั้วสิยังบพเห็นเคยซ่ยองหายอยู่บพเห็นซ่องไปซ่องมาเ่ราะเห็นเซียวอยู่ในหุ่งสวงผักอยู่ในฐานผักก็เลยคิดหอดก็เลยลงมาแบบนี้เทวดาก็เหาะวืดตุกลงมายืนยนอ่า ยืนอยู่ปากหลุมแบบเสี่ยวเพิ่งของงอข้อแหวะกันมานตอไปนอนมันจําจําเสี้ยวได้กันตะไปเพราะว่ามันเคยได็กยืนนํากันเนี่ยก็เลยว่าเทพดาเลยห้วยเที่ยวทันเที่ยวเห็นนางนอนทันว่าห้องก็อยู่นี่แล้วทันว่าก็เลยถามข่มซุบข่มทุกขํากันถามไปธรรมะนอนห้องให้ห้องให้เทพดา เทวดาได้ถามเอาให้ให้หนังมาแต่มาให้นั่นแล้วอยู่เมืองสวรรค์ในนึกเดีคิดกินของถิบสิกินอะไรก็ได้นึกเดี๋คิดใช่กันของนั่นจึงรอยมาจึงเดีอยู่ได้กินบัดเท่านี่บ่ได้นึกบ่ได้คิดมุนไปทั้งหนไม่ได้อาหารเขาบกกันว่ากัอาหารมุนไปทั้งใสแย่ไปทั้งขวบเดินนมาถอยหลังไม่แต่อาหารมดเที่ยวนี่ลําบากร้ายมา กเลยจะเห้เทพบดาไมาอยู่ท่านจะขอกในมันมันจะเ่มมอทัานเสียวท่านจะเริ่มมองมันบันมืดมัวยากกับม่านวอยู่ถึงเมืองสวรรค์นลยยังเนนึกเลยคิดกินของคิดอยู่ท่านยุ่นี่บริหนึกบริคิดสันแทนที่เทพบดาลที่สงสารนอนนอนมาสงสารเทพบาดาลกับกันในพวกไม่บอกกับกันจะให้เทบาดามาอยู่นาโว้ก็ไ่อยู่แล้วเทพบานาะที่ไม่อยู่อย่างใยุ่นในของเปล่าอันบอกนี่แหละพันว่า กรำห有有้องจอบของห้องไข่ห้องมันซอยกันว่ไรเนี่ยพุทธนาปฏิบัติถ้ำขึ้นกันได้ซอยว่าไรเลยครูบาอาจารย์ละซอยบ่าไรเป็นเพียงครูบอกคือเจ้าเทพวดาบอกหนอนมันมันมันมันมาแม่นนอกกินมันก็ดจระเข้ขนมันแม่นนอกกินตอนมันยังไหวอยู่แม่ยังใส่ผมยังไหวอยู่แน่จึงไม่สน่ะเพราะนั้นมันซอยกันบ่าไรถึงสิบหักแทงกันมันเอ้ยกร้างเสี้ยวกระเสี่ยวเอหัวกับหัวเถงะเมียกระเมียเถอะ ลูกกัลู ก, กตัวภัยตัวมันำกำผงเจ้าของสร้างไว้ยังไดได้ยังสัตว์พนักกำกำหนี่พนัะเป็นของปุงแตง<ม>ผู้ใดทํากำมันได้ ไ, ไว้กับไปยังสัต่ะกัมปุงแตงเข้าไปเพราเ น, นี้ว่าให้สร้างกรรมฐานเข้าหนีไม่ให้สร้างกรรมฐานได้หี่ให้เป็นเทวดาให้เป็นผู้ลู่ผู้ลู่แจ่งแท่งตลอดให้เห็นของโสมกบกเป็นของโสมกบก อย่าให้เป็นขึ้นนอนอารมณ์ไม่ตอขึ้นกันอารมณ์พนรามโนสันเจตยญาหันอาหารทั้งอารมณ์อาหารทั้งใจใจก็ขึ้นเราประหารทั้งอารมณ์นั่นแหะนี่แหละพนหาเฮาญาณเฮาจะไปเอาอารมณ์บดบูดนเนนอนมาใส่ใจของเขามันจะเป็นนอนเด้หยาดย่องเขาก็ดีคิดดีด่เลยข่มโกรธมาปรับนี่เป็นนอนเลยคือว่ามันเสพอารมณ์ที่บอดี เป็นหมายให้ละอายมันลดให้เป็นเทพดานลดควอมโกรดก้นมาเนี่โอ้โอันบอดีตัวอยาเขาไปอยู่กับค้อมโกรดอยากเขาไปอยู่กับค้อมค้อมหลงการประพฤติปฏิบัติท่าเหมือนกันอยาเขาไปอยู่กับข้อมง่วงมันอยู่ข้อมง่วงก็เป็นนอนท่านแหละสัดหน้าซัดหลังดุดหน้าดุดหลังซับหน้าซับหลังซับสงบเขาเป็นนอนนะั่นแะอยาไปอยู่กับตัวนอนแต่ให้ออกมาซะออกมาจาก อยากสิ่งที่มันบอดีจะไปเสพสิ่งที่บอดีให้เขาไม่ยกกับตัวรู้ตัวรู้ย่างเดียวรู้เห็นเข้าใจสัมผัสได้ไรู้เราวพ่อเห็นรู้เราเพ่เข้าใจว่าอะไรตัวทำให้มันเข้าใจการเดินยังวนการสานยังวายเฮ็ดแล้วมันใจลอยมันจืดเฮ็ดมาหลายปีคือเป็นสี่หลวงพอ่อเฮ็ดมาเนี่ยโอ้โหหลายปีคือเป็นยังสี่มันก็เป็นยังสั้นแล้วมันไม่เข้าใจ มันว่าหาอบาจิตจืดจางใจร้อยอาจะมากก็คยเป็นค่อกันเดินไปเดินมามันเดินในอย่างน้อยมันสงสัยมันลังเลนี่พันบอกว่าข่อใจในการปฏิบัติหูอยู่ว่ายางว่าเดินหูอยู่ว่ายกไม่ยกมือว่ามันหูอยู่นแหละแต่ว่าหากบอกข่อใจมันจืดเพื่อแกงปลาเนาะแกงปลาบัาใสอเกลือบัวซอยผักก็แกงปลาอยู่แล้วมันหัวเสีย บ่หูจะ ป, ปรุงบ่หูจะปรุงอาหารบ่รหูจะปรุงของทิศเอาพญามันเนี่ยมันหูจะจืดหูใจอลอยแล้วพญาปลุกเจ้าของให้มันหูให้มันลึกให้มันกระตือรืองร่นในการปฏิบัติปุกเจ้าของเนว่าวปุกเจ้าของให้มันตื่นสร้างสติให้มันเกิดเนี่ยให้มันใจอลอยกันใจอลอยแล้วโยโว่บนทธาแล่ะใสเบ็ดก็มีเงียบก็บก่ได้ป่าแล้ว ถิมติเป็ดต้งไปแก่มากมันก็บริอะไรเนาะต้องเสียบเงียเสียบอย่างปุ๋งจะคลองกันมากมันปุกขึ้นมามันโมูหก็หายเ้ามันหูทุบโตแห้งๆเดินนิ่กลมแต่มันง่วงกคบขบแห้งยิกจะคลองอะไรต้วยิกลูกยิกหลานก็ยิกดีแต่บิดลูกบิดหลานมันไห้บันในกันอย่างเอาถึงมันขั้นเชลวบิดหลาน่ะบิดคลองมาอ่ะมันเอาหลานไห้กิกไ่ได้มันอย่นั้นคือเเป็นปัจจคองคือเห็ดว่าเป็น บิดจะคล้องบิดเท้าหน่อยจะคล้องวอย่างให้มันเขียวเลยตมันโมูหติดมหูดห ด, ดึงอย่งนี้ไงใส่อ๊บายให้มีค้อมกตื่นเรื่อง้นในการปฏิบัติสันนี้พึกให้มันตื่นเึ้ือนมาน่ตัวเฮ็ดอยังท่ำอย่างกระดีใส่ปัญญาขันเขาว่าใส่อ๊บไบมันหว่าเห็นเนี่ยูมโหติเฮ็ดจนตายกับโมูหนี่มันมาบอกให้ถอยให้ถอยให้ถ อ, อยได้ว่าให้ปฏิบัติว่าให้หูสันี้ว่าให้เข้าใจ เอาไปประพฤติปฏิบัติประสบอารมณ์ไดนก็ตามอารมณ์ไหนสิมากก็ตามเขาจะเข้าไปอยู่กับอารมณ์เห็นเราถอยออกมาถอยออกมาไม่นได้ว่าอารมณ์ดีก็ตามอารมณ์ไ่ดีก็ตามคนบวชแไปเกี่ยวไม่เข้าไ ป, าไปตาเห็นลูกก็จะเข้าไปในในลูกหูฟังเสียงก็จะเข้าไปในเสียง จะโมบได้กินก็นจะเข้าไปในะจะเข้าไปในเอในกินลิ่นทิ้งรถก็จะเข้าไปในรถแม่จะกายถูกต้องสัมผัสก็จะเข้าไปแบนี้ให้เป็นผู้เบิงนั่นแหะเบิงไห้เป็นผู้เบิงมันนั่นแหะตาให้ลูกก็บเบิงมันเบิงขยันข่อใจจะไปหลงขยัมันหลงมันก็บอกข่อใจแล้วหูยุ่นแล้วนะหูยิ่งผู้ไส้พระเถรเนี่ยซีหูอยู่ แ, แต่บอเข่อใจเลยไม่เนี ลงคอเาหมักพีก็นมีดเลยลงคอเาต้องพีเขาเห็นเมซี่เนั่นบึงจ่องเงี้นโอ้เนมาเลยเกิดขึ้นอี่ยิ่งหยันบอลบันมาเน้นหน่อยกับซี่กับลงคอยวัดเดียวกันว่าบอกเลยนะฉันบอกว่นจีบว่ามันจะเจหัวทีเมื่อต้องหัวแล้วตัวนี้ก็ไดาแต่ว่าเขาบอกมากเลยจีบอกไปซื้ออกจั๊กแมนบแมน พวกนี้ก็ลงพ่อนี่ยมันก็บวชมาดนคือวันบวชมาดนลก็ยูู่ดเดียวยู่พูเดียวพอดีก็เลยถ้ายกก็เร็อลูกมาบวชน้ำแต่ว่าลูกลูกผูดยิ่งก็ติอกหักขึ้นมาหักกรมจัดเลอายุมาก็ในเล่าสิบหายกยกสิบกเป็นยอนน่ะก็ามาให้หลวงพ่อพอได้ต้มน้ำพ่อให้หลวงพ่อสันนี้เอามาบวชเลยมาบวชเป็นแม่ซี่ แม่ซี่ไปแม่ซี่สาวปุณิดีาบบังเอิญอีกหลือบานันถ้ายมนึ่งคนมีลูกกัอายุรุ่น ล, ล่าข้าวเดียวกับตาแม่ซี่แล้วบนันซับซี่ น, นั่นน่ะมาบวชเพื่อกันมันถมาม ว, ว่าบวชไพ่หลังดอกว่าบวชที่นี่มึงกะไก่ล่องควากับบะได้บะได้ไปเข่นเข่าวไปเข่นยังก็เห็นควบลําบากของล่องควาท่านยมก็เลยเอาอลูกออรานเป็นผัวไส้แล้วมาบวชเป็นเน้นส่นนี้ เป็นเน้นน่อยก็เน้นน่อยก็เน้นเบาเนี่ยนะแต่ว่าคนอื่นเน้นน่อยก็เป็นพระแล้วพคนอื่นว่าพระกันบวชเน้นเนีน่ก็น เ, นเน้นบวชเน่ะเน้นเบาเน้นนอยก็นขึ้นกันนั่นแหละเนว่ยคนบาเลยปฏิบัติเนาะเน้นหน่อยแล้วบวชมาแล้วนกก็เห็นแม่ที่สาวแล้วหรอชันเข่าก็เบื้องตากันยังว่าเศ้าอยู่เอาไปมากมักแม่ซี่มักซี่เห็นตัวเน้นหน่อยมักซี่สาวสี่หาโอกาสคุยกับบไรี เพราะว่ายั่นผิดสินในพลาข่วมอึดอัดขัดเครื่องมันมองมีขอดเราใบมักเขาบไดีวอลคนน่ะมักบไดีวอลมันสีเน่าทั้งใ น, น่คน่้วยหัอยใจบได้เผยบอดีเปิดมันอัดอั้นตันใจนะ่ะในที่สุดเห็ุจิ่งใดสีคุยกับบไดียันลงคอดาเห็ุสิงไดก็เห็หุบไดีก็ เ, เลยได้โอกาสก็เลยไปเขียนหนังสือไว้ ไว้นาคตีสีสาวนลเนนบาวกันิเขียนได้่ว่าจะไม่ได้เขียนเรื่งคมลึกอ่ะเนาะเนรักชีคน่ะเขียนเขียนนกกระติ๊ไปนานเขาก็ตูนให้ว่าเห็นมันองง่ายๆเนาะไปซ้ำเขาปักสลักระติ๊บละเขียนไว้เป็น้นรักชีคนอ่ะแต่ว่าหลวงพ่อลักชีนี่กิหนอกเด้อแต่เขาประการมากต่อไป เขียนไว้แล้วก็เล่นหนีแต่นี้หนีแล้วก็แบบดินซอกก็สมบุติกระติบอันนั่นแหละติดไปหนาโคตตีนแมสซีมากเห็นไหม่ะอายาเห็นไหมมาเห็นอ่านแล้วก็เลยเขียนต่อแถวที่สองว่าอย่งไรก็ว่าฉันบวชชีพคนนี้รักผึ่งน่นโน้นเป็นยังไงฉันบวชชีพคนนี้รักเขียนแล้วก็เออแล้วไปมันเน้นไงบ่ นี่ก็จอบแล้หรอจจบที่วาล้อคาตอบมันล ะ, ะทั้หนังสือทางจดหมาเรไปมากกบ่าบ่อใดแต่ว่าเยแห้งหักเลยแห้งแพ่งหมมาว่าอย่งสี่กะไรมาเขียนแถวที่สามอีกเนี่ยนหน่อยมันเน้นอกหักพรัคชีเหมืนนนี้เป๊ะ <c oughs> เลยวันนี้ผู้หนึ่งปวดซี่ผู้นี้หลักบานเน้นหน่อยกอกหักมน่อเนน อ, อกหักพรักชีเห็นไห บ้านนี่ก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่วันนี้หน่อยว่าเนี่ยน่อยเคล็ดแล้วก่นแล้วไปแม่ชีก็สซี่สาวกับวัาเจ้าเจ้าอวัตสังกดิหอปพักแต่ละอวัตเพรว่ช่วงนันขอภาษาอยู่ละอวัตง้านก็มันเดียบปล่อยหงมเรียบรล่อยไปเห็นสถิตบไปเห็นกระดาษเอ๊ะมันปักสลากกระถิ่นมันคือปักไปกดหม็แม่ชีหรอวัฒนามันบวคือว่าปักไปสลากพนอวัว่ากระินบ้านใดนอมาลงสลากมัปักสลากน ห้วงพ่อกังขลาดาไับอัานโน่นบันเน้นรักชีว่าฉันฉันบวชชีพวกนี้รักคนเน้นองค์หากคนรักชีแต่กูเอาบางเถอบันหลงพอจ้าปากกาเดเขียนตัวเขียนชากกับไปไม้กูบวชมาตั้งห้าสิบปีพวเห็นชีกับเนี่มันรักกันมันเซ็ตด้บันเ น, นี่ยผู้ดใดถูกผู้ดใดผิดนี่หมายถึงว่าบุคคลนมหู เน้นถูกคือเน้นผิดที่ถูกคือที่ผิดลงคอถูกคือลงคอผิดเนี่ยคิดเบิ่อนดีเท่ามันมันพ่อปัญกันพ่อปัญกันทีว่าเน้นผิดกับอะไรที่ว่าที่ผิดกับอะไรที่ว่าลงคอถูกกับอะไรพ่อปัญกันและดอยิวน้ำกันนี่แหละอีหยังไม่ได้เกิดขึ้นกับเพราะว่าก็คือ้นเพราะเขาใจค่ก็ห้างก็เพื่อนปฏิบัติถ้ำนะบ่เข้าใจบ่เข้าใจในการปฏิบัติบ่มีอุบายที่ถึงเขาไป เอ่ไปเอาชนะสิ่งที่มันที่ท่านห้องบ่อข่อใจได้คือบ่อไขกับว่านเฮ็ดนั่งทําำยังกระตำขันบ่อข่อใจแล้วมันบ่อได้เฮ็ดแล้มันข่อยใจมีศิลปะในการนุ่ยพืชปฏิบัติเนาะการคุยปฏิบัติมีศิลปะกรรมเป็นกรรมฐานขันห้องบ่ใส่กูบายขันเ้อบ่อใส่สิ่งที่มันว่ามันเป็นอันได้กระตังอันได้กระตม สิหู้มันเนี่ยก็สร้างขันโมข่อใจก็บอะไรเ้อะสิหูว่าพระหูว่าเน้นหูไวชี้กับตาขันโมข่อยใจได้ตัวเองแล้วก็อาจจะพิษไปก็ได้พิษพลาดไปก็ได้แค่นั้นควมพิษพลาดนั้นอยู่ที่ควบโมข่อยใจมีการแก้อารมณ์ขึ้นกันทาปฏิบัติไปปฏิบัติไปอารมณ์มันเกิดขันโมขันห้องโมข่อยใจในการแก่ก็มันก็ไปบอดหตอย่างเทียโมหตัยแทะ สมัยปฏิบัติจะลอยู่หลังคู่คงสมัยเราได้โดนแล้วโอ้อารมณ์มันเกิดขึ้นมานี่ยมันแจกไขของมันเองบ่ได้ไปถามพูดได้บ่ได้ไปถามหลวงพ่อบ่ได้ไปถามคูบาอาจารย์เห็นคูบาอาจารย์รีซัพอาจารย์พันไปถามเลยสมัยก่อนการเดินนิ่กลมเห็นคูบาอาจารย์ท่าย่างไปดีซัพอาจารย์พันไปถามย่านข้าเพ่นักเอาปฏิบัติเอาบัตเสมือนเข้ามาแต่เห็นคูบาอาจารย์นะอาจารย์คนนะ มหาห้ยชันแน่พอนะเมืม่งว่าหยังซี่ขึ้กกันไม่ออกขึ้กกันเห็นคุณบาอาจารย์นางไปไกลบ่าอะไรต่อไปอยากถามอยากไก่พอนะไปกับแม่นั่งโกโซโย์นั่นแหะนั่งคุณบาอาจารย์มันก็ยืนเบาเจ้านี้เขาไม่ได้ไม่ได้ถามเลยสมัยก่อนโอ้เห็นคุณบาอาจารย์ยันรียันมันไปถามย่านมันค้าเพราะอยากพันไปถา ม, ามาราาปามีปฏิบัติตัว อ, อักปฏิบัติตัวลบรีปฏิบัติตัว แบบเสมอนี่ยว่แมงนสัตว์เนี่ยเห็นเพลนแลนแลนใส่อยากถามอยากพูดอยากเห็นอยากเบิ่งร้อยเงิมของเพลนอยากสนธนาเขาเพลนสนอือางคณะแม่ไปเพลไเอื่นใส่รถบัตรยังยางรออยู่ไ่ได้ก็เอิ่นใส่จะใครเอื่นก็เอิ่นบัตรอ่ะบบต้องเอื่นแล้วไม่เอิ่นใส่เพลนเหมือนน่อ่ะคดีเ่ราว่าสนอย่างนังสักไม่เท่าไปกับเเห็นมาเช่นี้เนี่ย มันเป็นแบบไดโอเควะอกมันเป็ น, นอย่างมมีอาคติวันั่นดิการปฏิบัติธรรมก็ดีมีอาคติวันั่นดิอันบอขีลย่ยว่เอ า, าอันบอกขีลย่ยว่เอาอันบอแต่ว่าพฤติกรรมมากไปฏิบัติาธรรมมันวาเห็นของขีลดยไหมเห็นของขีล่ยเป็นว่าอสุภกรมมฐานเจสาโลมานาคาท่านตาตะโจนะ ให้เห็นเป็นของบังง่ามสิพระเนี่ยกลับเน่กลับจากของบังง่ามมาเป็นกรรมฐานของง่ามก็กลับมาเป็นกรรมฐานคือเอามาเป็นอัตตากรรมฐานคือพระเนี่ยเบิ้งให้พิจารณ์บอกให้หุนหันพันแลนมันละไ้เบิ้งให้เห็นได้มันเข้าใจจิิงที่ว่าง่ามมันง่ามมานจะไสแต่คือขอทานเขาเปลือกกันน่ะเบิ้งมันก็ขัด ได้ม่อยากมสนเป็นยังไงมาจังเลยเดี๋ยวมาเข า, ว า, ว า, วบาบวชกับบดีพิจารณาบเสดปัญญาเด้บใสดปัญญาใส้เห็ ด, ย, ดยังค้ำยังใส้เดีควบอยากไส้เดีวว๋วควที่ว่าบพีนี้พีพ่คอพิจรารณะเป็นว่ากินสมปากอยากสมอา่ากินเนี่ยก่อกินสมอยากปากสมเครียดัง ค, ค่ผู้เุทธาวงบาล่านมันเคยบอกอย่ากินสมอยากเลยเดอ้ออย่าปากสมเครียดไลเดอ้ออะไรต้นนี่พระนกรบก่ไว้เป็นเป็นคํำสั่งคํำสอนคล้ายๆับเห่าขึ้นกัน เอ็ดอยังท right. ้ำอย่างคนใยพินิพิเครพิจนาการอยู่การกินขึ้นกันไม่ได้ค้มอยากขึ้นกันให้พินิพิเครพิจนาใส่ปัญญาเข้าไปมันคาคับเห็นมันก็คักเบิ้งไหนมันเอาโตเบิ้งเอาโตหูแล้วเขาไปใส่เขาไปใส่ากับชีวิตของเขาคณะบอกโวเบืงตัโตหูโตัวปัญญาโตสติเขาไปใส่มันก็บาเห็นบาเห็นของกิงแล้วเห็นในของควมปลอมอันเบิ้งหน้าเขาก็เบิ้งแต่ของควมปลอม เบื้งแต่แป้งเบองเตะน้ำมันเบืองเตะสอเบื้องเตะิสตริกสั่นเลยหล่ะอันเบืองพระเบิงเนยเหเห็บเบืองแต่หัวโลดหูบล่างหังคิงเขาก็บริสันต์ซื้อได้เห็นท่านบริสิณีพิครพิเก้านบริ้อดลงไปว่าพระเพิ่นเหตุเช่นไรปฏิบัติเช่นไรเมีควมเป็นอยู่เช่นไรเขาก็บรเบงวันนั้นเลยเมือนบเบิ่งหนอกนอกเบื้งเตีบเปือกมันเป็นยังว่าหายเบิ้งเบิ้งตนไหม่เบิ้งย้งกะังจอเข้าไปมันถึงแก่นถึงแก่นของมัน เขาจะได้ไม่เนื้อดีแต่เนี่ยการปฏิบัติทำมาคือกันกับเบิง้งรูปเบิงนนน้บ ง, บ ง, บ ง, นนงนั่นนี่แหละเบิ้งกายเบิ้งใจนี่แหะเบิ้งนอกๆเข้าไปทั้งในยังมาเจริญสติเดินจำกลมือ้กันเดิยนำกลมสร้างโยมานีให้กันเขาก็เบังตัวนี่เบิ้งตวงไงไงัวมันง่ายๆนะก่อนเห็นตวงงัวมันง่ายๆนะก่อนการเคลื่อนก า, การไปกันไปกันมาการเดินการสัมผัสเห็นทั้งนอกมันก่อนแต่อภรณ์ ย, ยิ่ง ยิ่งนัดเดี๋ยวได้นกสองตัวยิ่งข้งเดี๋ยวมันได้นกสองตัวทำไมถึงว่าเบิ้งไกาให้มันชัดเจนเบิ้งลูกมันชัดเจนด้วก่อนฝึกกายให้ก็ได้ใจเพราะว่าเครื่องก็เขาเปลือกเขาขรานก่อนที่เป็นขราสานก็มาจากเขาเปลือกแต่ว่าก้อนที่ได้เขาซุกมาอยู่มากินก็นย้อนเขาเปลือกก็ขรานแชานั่นการมาเปริปฏิบัติธรรมมากันเทากัเบิงเ้งไก่ให้เลยมันชัด เบิงไก่พอบาไว่พว่าการเบิงไก่เนี่ยก็คือการเบิงใจพอบาใจเจ้ากุเสมันลูบน้าลูบน้มา่านพนักจากน้ายนี่มองไก่เขาก็โมโหจัเพราะ่านน้ามันมันมีลูบ่มีลางบมง่มีหางไม่มีขิงเขามาน้ำตัวนี้แต่ว่าร่างกายเขามาันมีลูบมีลางมีหางมีขิงยกมือขึ้นปิงมือขึ้นท่านก็โมโหเอามโ โตมันหูนั่นแหละพนักขึ้นขึ้นน้ำโต้มันติ่งนั่นแหะโต้มันติ่งหนึ่งคือลูกหูจะว่ามันติ่งหนึ่งคือน้ำแต่ไหนนี่สมมติบอกซื้อได้สมมุติบอกให้เพื่อให้คม่อมใจแต่ว่าสิ่งที่เขาไป่รู้นั่นก็เป็นลักษณะปฏิบัติของไคของมันแค่นั้นเพียงว่าติ่งปั๊บนี่ยังมันติ่งลูกนี่บอละยังมันหูน้ําเคยใจแะนั้นการฝึกก็มันก็เลยฝึกกายให้ได้ใจแค่นี้ ใจเกิดขึ้นว่าน้ําหมือนล่ะมันอาศัยกันมันอาศัยรูปอยู่ก็คือยังะต้องสังบ้านสร้างเแห่งเึิดมาสร้างบ้านเกิดมานบอสั่งบ้านขึ้นมาอันบ้านเม่มีผู้อยู่ได้บ่หนี้ก็หกก็ลุงก็ลากจังหวัดเท่าไหร่แล้วอันไม่มีพ้าเนียนมาอยู่มันก็เสาร์มองไม่มีผู้ขวดไม่มีผู้บุระปลวกไปกินเพามันหัวมันยังกิบไม่มีผู้สอนผู้แท้มังที่ฮาไพ่ไม่ปลามากก็ไม่กุดไม่ไม่บ้านไม่สล่าไม่ กุติวิหารได้คือกันร่างกายห้องคือกันขันขาดอุบขันขาดใจที่ที่บ่ได้ฝึกแล้วกอ่ะผ้าร่างกายเนี่ยเขาไปสู้สู้สิ่งที่บ่ดีเพียงว่าอาจจะเป็นนอนก็นได้เหมือนเราไปโอยไงใไปใจที่บ่ได้ฝึกก็จะผ้าร่างกายไปเป็นน้อนนั่ น, นแหะเนี่ยเพียงว่าให้ฝึกใจฝึกใจก็ต้องฝึกกายถ้าน่าฝึกกายเนี่มันก็ได้ใจพนันยิ่งนก นัดเดียวในนกสองตัวคือการปฏิบัติธรรมนี่ฉะนั้นเขาจึงจะมั่นใจได้มั่นใจในการปฏิบัติธรรมเพราะนม่มั่นได้ให้มันมั่นได้เพรานนท์จับให้มันขั้นให้ตายเพรานนท์จับให้มันมั่นขั้นให้มันตายจับให้มันคืออย่างนึงคือว่ายาให้มันล่มให้ไม่สติขั้นให้มันตายคืออย่างไงกิเลสมันตายใครยำข้อมันลงไปเหยียบมันลงไปเป็นอยังว่า ให้ข่ามันให้ข่าค้นในมันได้ยังจะได้เป็นพระข่าค้ขาขนโมได้บริบเป็นพระได้จังวาค่ำมีอย่างค่อบัญหาเสียวสวะพณว่าผู้ใดยังมีศิลให้ข่าพ่อตีแม่เห็นได้เหมืนว่าไปยากให้มือมาแมหววข่าพวกเดียวกันไปยากมีสีสันให้นอนดินเกล็ดพุ่นขันอยากอุ่นให้อาบน้ำยามห น, น, นาวจังเหมือนว่าเป็นคําผญา ขณะกินปลาขาวเห้แบบแห้ขึ้นโคกขณ้กินเข็มละงกสักสมน้องน้องต้นว่านี่มันก็เป็นค้ามกาวข้ามจิตสนาสมัยกรทว่ากาวพันธที่สอนสอนธรรมะสอนหลกสอนหลานปฏิบัติสอนตรงมาบอกตรงๆเพื่อนสอนให้ใช่ปัญญาการเคลื่อนก็ปฏิบัติธรรมในตะกีนสมัยตะกี่เพื่อนในใช่ปัญญาเอาเองเพื่อนบอให้บอกหลายบอกให้เทศหลาย พันเทพตังสี่ก็ไม่ได้ลงปูเทียนพันเทศแล้วก็มีแต่คู่บ่ายาจานจึงหลวงพ่อมันถ้ำก็ดีหลวงพ่อคัามเขียนเป็นอาจารย์สมบูรณ์เป็นอาจารย์สีมูลนิธิพันธุ์เทพ <t> แต่ว่าหากเป็นหลักแท้ๆก็หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคัามเขียนหลวงพ่อมันถ้ำเป็นหลักแต่องค์อื่นๆก็เป็นตัวประกอบเป็นตัวประกอบในเรื่องซือๆแล้วคนก็วอ า, ว า, วาบอกโดนมาเดีฟังดูปันนี้ กันเนี่ยฟังดูป น, นิ่งคือสิข่อยใ จ, จตั้งตะกี้เดี๋ยวนี้ข่อยใจแล้วล่ะเพตั ว, ว่าคูบาอาจารย์มาเทียดดูฟังดูก็เลยประสบประการก็เลยเข่อใจได้ชีวิตเข่อใจในตัวเองกับลูึ้นมาก ข, ขึ้นกันอ่ตมากกันไหนลู่คนมากเน้อยๆตะกี้ว่าลู่ด้บ่าลู่ว่าข่อใจด้ก็เพียงแต่ว่าสัญญาห้อมไม้ได้จำลู่ซื่อๆด้คูบาอาจารย์มาเทียดก็จําซื่อหลังเทียดจำเข้ามาบอกคนไม่เทียดก็บมี้ ไมัยน่ซิกิหากว่าใครได้เทศหรอกล่ะไม่นใคได้แสดงหรอกก็่เคยังพิธีก่อนโบราะเป็นนางสนล่ะอัตมาเป็นหางเครื่องขึ้นบ้านก็ได้ไปน้าคุปบาอาจารย์ขื้นกันแต่ก็บว่าได้แสดงก็เป็นโตให้มันเป็นโตถาดเป็นโตผรับใสพ่อดีก็เลยบวชมากบวชมาก็เลยมันโดนมาเรื่อยๆสิบกว่าปีขึ้นหลังเึ้นแหอดยี่สิบปีแล้วกั ก็เลยมีโอกาสมีโอกาสคือว่าคืเด็ขึ้นมาในเทศได้แสดงก็ถือว่าเทศได้หนิมันมาเ่็เทศได้สอนได้หนิมาเทศมาสอนได้หนิพระวโรนาเป็นผู้เทศผู้สอนม่่นวามันมาเทศได้เทศสอนนั่นแ่ะค้ามมาเทศก็ไม่ใช่ว่าเทศเนี่ยฟังเทสน่าแปลว่าพูดแสดงอ่าบรรยายนธรรมะบรรยายนหลักปฏิบัติ เปนอ า, าวัดพาเทศไปบ้านกระเทศคือกันประเทศคันผู้ใดสั่งสอนตักเตือนเขาในทางที่ดีพระเวทมันพันดาได้ถึงพันสีดากระส่างแต่ว่าพันวางดีเขาเข้าก็ถือว่าควรเทศให้เขา้า ใ, ให้ฟังเป็เอยาฟังเสียงทุกเสียงนั่นคือกับเสียงพระสวดมนต์ดูคนทุกคนนั่นคือพระโพธิเจ้าแบบนี้คนน่ะ คำว่าคำว่างสิสิถือว่าเป็นของเหล่นมาแมนได้เป็นของลึกซึ่งได้เป็นเอาฟังเสียงทุกเสียงไงเหมือนกับเสียงฝาสวดมนต์เสียงทุกเสียงนี้เขาสิฟังแต่เสียงที่เขาชอบใจบ่อได้เลยเสียงที่เขชอบใจกับมีทุกเสียงเหมือนทุกเสียงมาทั้งว่าเสียงชอบใจก็ตามบ่ชอบใจกับตามพ่อใจกับตามบ่พอใจก็ตามเขาหายเขาได้กับตามเป็นมาหาเหมือนกับเสียงฝาสวดมนต์ พาสนมันคืออย่างหนึ่งเลคือขึ้นโมโซ่อยู้วเนา ะ, ะอะระหังสัมมาสมัมพุโตผควานบอกบอนี่คือเสียงพาสนมพูด ท, ทางผักาวานตังอภิวาเทมีนี่คือพุทธคุณสาวาข้าโตผักวาตาธรรมโอธรรมังนมามามินี่คือผาธรรมสุบุติปโนผักวโตซาบสังโคสังคั ง, างนามามินี่คือผาสง์นี่พนาฟังเสียงพวกเสียงให้เป็นเสียงข้อพูดผาธรรมผาสง ถึงเสียงงันสี่ชอบใจกัตามเาชอบใจกับซันให้หันคำว่านี่จะหันไปทั้งอื่นจหันไปหาอบายยมค้หันคำว า, า ส, สู่พุทธคุ้มพุทธคูมขึ้นอย่างคือนพระพุทธปฏิทินประสงค์อบายยมุ้มขึ้นอย่างขึ้นนรกขึ้นสัตย์เดริฉานคือเปรตขึ้ อ, อสุรกายนี่พนอบายูมมอบายุมสี่ันเาหันเข้าไปสู่อย่าง สูสนนรกก็คือตัวบาตคือโมโหโทโศนี่กระตกนรกแล้วตกอบายยาพุมมเสร็จแล้วหรอหันๆันเขามาหาพธทธภูมคือฟังเสียงทุกเสียงให้มอนก็พาสวดมนต์เปินหน้ายฟังให้งสนเฮ็ดเัียงสัน่นใ้ไปพุ่นในมาที่ดูคนตัคนคือพระพุพธเจ้าเปิวมาไห้มีควอมเมตตาซึ่งกันและกันพุทธสอนให้เข้า็จอย่างไมีข้มเมตตา เมตตาทำเป็นเครื่องคำจุนโลกนีก้คันขัคว้อเมตตาขันกบได้แล้วก่อนที่เมตตาก็ต้องใช้ทิ้งอะไรอย่ง า, มมายงนี้พวกย่ว่าเมตตาขึ้นอย่างแต่เพื่อในว่าให้มาปฏิบัตินี่แหละมาเจริญสตินี่แนะ่ละขันเจริญสติแล้วขันมาปฏิบัติแล้วเข้าใจแล้วสีบอ่อเวดเบียนซึ่งกันและกันนั่นคือเข่าสุขคือโตอิมคืออนิสงค์ของมันสีบ่อรัาเอาเปียซึ่งกันและกัน เพนว่า้าเป็นญาติธรรมมาเป็นธรรมะทายาติพระพุทธเจ้าเค่อยกาวกับพระภิกษุทั้งหลายเลยภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นธรรมะทายาทของเราเถิดอย่าได้เป็นอา m i t h า y าติเลยสนยันนเพฐ่นไหนเป็นธรรมะทายาทคันเข้าใจกันแล้วมีความเมตตากรุณาซึ่งกันและกันแล้วมันมันว่าอลัดเอาเปียบบ่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่มาเป็นธรรมะทายาติเป็นญาติทางธรรม ญาติทั้งท้ำนี่เป็นอาณิสงส์ไหลกลัวญาติทั้งสายโหิตญาติทั้งสายโหิตอาจิะว่บ่ปองดองกันก็ได้บ่มีข้อมือเฟื่อกันอะไรังพันเทีในเจ็บนี่แหหน้าคอยกระไรเนาะพอนะพ่อป่วยยันบ่เป็นลรกไส่กคกหมูจงอัตมาเนีเป็นโลคก้นหัวปีหน้าคอยกระายเนาะพอนะเออเออยู่นั้น ให้คอยเถอะพอ่อเนาะพ่อข้างหลาปวดไหลก็เอืออือดันเอาฟังเอาดูสูพีพออ่อไอแม่ให้กูแล้วแม่เนาะพอ่อเนาะอืออือตายสับเอาไปกินเสียไม่มันเอือเฟื่อว่นนี่พน่ะเป็นยังว่าถึงสิถึงสิเป็นชาติเป็นเชื้อขันโมไมีควบเอือเฟื่อก็อยู่คลื่นก็เสืออยู่ในปานอันตรายมานเนี่ยขันโ ม, ม, ม, ม, มเป็นชาติโมเป็นเชื้อขันมีควบเอือเฟื่อกับคลื่นเนือของอัตมา คือเนื้อของพระพุทธเจ้าแันมีความเบื่อเฟื่อฉะนั้นคนยังวารายเป็นญาติถ้ำกันแหละเป็นญาติทางถ้ำกันแหละมันประเสริฐประเสริฐแท้